ถามผมเป็นกุมารแพทย์เมื่อสองสาเดือนก่อนมีคนไข่อายุ16ปีเท่านั้นมีท้องคลอดเด็กออกมามีน้ำหนักหกรกรัมเท่านั้นเนื่องจากการทำแท้งเด็กตาบอดแต่ยังมีชีวิตอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรผ่านไปสี่ชั่วโมงเด็กก็ยังไม่ตายอยู่ได้เด็กที่มีน้ำหนักเพียงห0 0อกรัมถ้ารอดไปก็มีแนวโน้มสูงที่จะมีปัญญาอ่อน หูตาก็บอดแล้วอีกประเด็นหนึ่งถ้ามองในด้านของจิตใจแล้วเด็กคงต้องมีคุณภาพชีวิตที่ลำบากเพราะเกี่ยวกับภาวะเครียดตั้งแต่แรกเกิดและแม่ก็ไม่ยอมรับว่าจะเลี้ยงลูกขนาดนี้ได้หรือไม่ถ้ามองในแง่ของสังคมถ้าเขารู้ว่าเขาเกิดมาโดยที่แม่ไม่ต้องการเด็กจะต้องมีปมด้อยนานับประการเรามีความรู้อยู่ว่า ถ้ามองไปข้างหน้าแล้ววิบากของเด็กนี่หนักหนาเหลือเกินเราควรจะช่วยชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปผจนวิบากกรรมของเขาต่อไปหรือควรจะให้เขาไปเกิดใหม่ให้ได้พ่อแม่ที่ดีกว่านี้มีชีวิตที่ดีกว่าผมลำบากใจมากที่จะตัดสินใจเรามีจิตแพทย์มาร่วมด้วยและมีสูติแพทย์ขาดอยู่อย่างเดียวคือขาดพระก็เลยขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าหากบังเอิญท่านอาจารย์ยืนอยู่ทถวนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรถ้าเด็กรอดไปใครจะรับผิดชอบเด็กคนนี้เราก็ให้การรักษาเต็มที่ไม่ทราบว่าเด็กจะรอดหรือไม่รอดตอบก็เป็นปัญหาการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากการตัดสินใจขึ้นต่อข้อพิจารณาหลายอย่างซึ่งบางทีเราก็ยอมรับว่า เรามองเหตุปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆไม่ทั่วถึงบางทีเราตัดสินใจตอนนี้นึกว่าดีที่สุดแล้วมั่นใจเหลือเกินแต่ปรากฏ ว, ว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเห็นว่าผลการตัดสินใจนี้พลาดเรามองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบบางอย่างอย่างในกรณีของการพิจารณาว่าเด็กอย่างนี้ถ้ารอดไปจะเป็นอย่างไร เราก็มองตามสภาพความเจริญของการแพทย์ปัจจุบันแต่ปรากฏว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าการแพทย์เจริญขึ้นสามารถแก้ไขเด็กอย่างนี้ได้ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทําให้เกิดความสมบูรณ์ในส่วนนั้นขึ้นมาก็กลายเป็นมีทางให้เกิดผลดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ว่าเด็กอย่างนี้รอดไปก็แย่ต่อไปก็จะเป็นภาระแก่สังคม ชีวิตด้านนอกก็มีแต่ความทุกนั้นเป็นการคิดจากพื้นฐานความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขอันจำกัดของปัจจุบันแต่พอไปถึงตอนนูน้นถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าการแพทย์ช่วยได้ก็เท่ากับว่าเราตัดสินใจพลาดไปเส็แล้วเด็กคนนั้นก็ตายไปเสแล้วฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก ในเมื่อไม่อาจจะวางข้อวินิจฉัยตายตัวอย่างหนึ่งอย่างเดียวลงไปได้เราจึงควรจะมีหลักบางอย่างที่จะทําให้ตัดสินใจได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในกรณีนั้นๆแค่ไหนก็แค่นั้นจึงได้เคยเสนอไว้ว่าการตัดสินใจต่างๆก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องพิจารณาด้วยหลักสองประการคือด้วยเจตนาที่ดีที่สุดโดยใช้ปัญญาให้มากที่สุด 1. ปัญญามีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพร่างพร้อมที่สุดและพิจารณาเหตุผลข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆอย่างดีที่สุดโดยรอบคอบ 2. เจตนามีความตั้งใจดีต้องการทำเพื่อประโยชน์แก่เขาอย่างแท้จริงโดยบริสุทธิ์ใจ คือเจตนาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาโดยแท้นั่นเองถ้าได้องค์ประกอบสองอย่างนี้แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรเราก็บอกกับตัวเองได้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วต่อจากนั้นผลจะเกิดอย่างไรเราก็สามารถพูดได้ว่าตอนที่ตัดสินใจเราทำดีที่สุดของเราแล้วตกลงสองอย่างนี้สำคัญมาก คือ 1. ใช้ปัญญาเต็มที่ 2. มีเจตนาดีที่สุดปัญญากับเจตนาสองอย่างนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ปุตุชนเราจะทำได้อันนี้ก็จะเป็นหลักไว้เมื่อพิจารณาดูองค์ประกอบฝ่ายปัญญาหนึ่งองค์ประกอบฝ่ายเจตนาหนึ่งสองอย่างนี้ก็จะช่วยให้มีเกณฑ์วินิจฉัยดีขึ้น บางทีเราทำด้วยความรู้แต่เจตนาที่ดีเราไม่มีเราไม่ได้หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาอย่างนี้ก็ถือว่ามีความบกพร่องด้านเจตนาอีกด้านหนึ่งมีเจตนาดีแต่ไม่หาข้อมูลไม่ปรึกษาสอบถามค้นหาความรู้ไม่พิจารณาความจริงให้เพียงพอก็ถือว่ามีความประมาทมีความบกพร่องในทางปัญญา ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราก็มีความมั่นใจแม้จะไม่สามารถเป็นหลักประกันว่าการตัดสินใจนั้นจะต้องถูกแต่พูดได้ว่าในวิสัยของปุถุชนเราทำเต็มที่แล้วขอคิดเห็นของคุณหมอการชนาขอแสดงความคิดเห็น คืออยากเรียนตามที่ทราบจากคุณหมออมราว่ามีเด็กบางคนตอนเกิดน้ำหนัก420กรัมก็สามารถลิงให้โตได้แต่เมื่อมีการตรวจสอบไ q คก็ปกตินั่นเป็นตัวอย่างในระดับทั่วไปส่วนในระดับปัญญาสูงตามปกติต้องมีน้ำหนักตอนเกิดไม่ต่ำกว่า 2,000 กรัมแต่มีหมอของเราบางคนตอนเกิดน้ำหนัก 1,700 กรัมก็ปรากฏ ต, ต่อมาว่า มีสติปัญญาเรียนแพทย์ได้และยังสามารถทำผลงานทางวิชาการได้เป็นศาสตราจารย์ฉะนั้นน้ำหนักน้อยอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีปัญญาอ่อนเสมอไปแล้วก็ที่ว่าแม่ไม่ต้องการลูกก็มีหลายคนที่เขาอยากได้ลูกบุญธรรมและกำลังมองหาเด็กอยู่ อาจารย์ภูมาราให้กราบเรียนว่าภาคสองต่อเรื่องชีวิตสิ้นสุดเมื่อไหร่จเจริญพรนี่ก็เป็นเรื่องยากต้องตกลงหาเวลาพูดกันอีกทีสำหรับวันนี้ที่ประชุมก็ได้ใช้เวลามากพอสมควรแล้วขออนุโมทนาทุกท่านขออวยชัยให้พรด้วยการที่ทุกท่านมีศรัทธาในธรรมและประกอบกิจที่ดีงามที่เรียกว่าเป็นกุศ ล, ลกรรม คือช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บโดยมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันขอคุณพระรัตนตรยัยอภิบาลรักษาทุกท่านให้เจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีความร่วมเย็นเป็นสุขในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลนาน